เมื่อติดก่อนไปนเทศวัด ส, สัมพยาคนเยอะสามพันกว่าคนตอนเปนเทศก็คนคนฟังใจขอวักแวกนะใจวักแวกวักแวกคนรจะคุยกันจะอะไรนะต้องเตือนอว่าธรรมะม่ของประณีตถ้าใจเราไม่ประณีตใจวักแวกวักแวก รับธรรมะที่ประณีตไม่ได้เราต้องมาฝึกตัวเองให้เป็นคนมีจิตใจประณีตมันต้องเริ่มมาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่มีศีลนะจัดระเบียบกายวาจาให้เรียบร้อยพอกายวาจาเรียบร้อยแล้วสมาธิเกิดง่ายใจเรียบร้อย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 หลวผู่ดูนยเคยสอนหลวงพอ่อ่าประโยคแรกที่ท่านสอนเลยการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติคาว่าการปฏิบัติก็คือการที่เราสามารถเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงนั่นเองการเห็นกายเห็นใจนั้นไม่ยากมันยากเฉพาะคนไม่ยอมไม่ยอมดูไม่ยอมเห็นอย่างที่ท่านบอกว่าการปฏิบัติไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติ ท่านสอนหลงพ่ออีกอย่างหนึ่งอาา่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองง่ายๆอ่านจิตตนเองจิตมีความสุขก็รู้จิตมีความทุกข์ก็รู้จิตเฉยๆก็รู้จิตเป็นกุศลก็รู้จิตเป็นอกุศลก็รู้โลบปลดลงอะไรเกิดขึ้นรู้ลูกเดียวเลยการที่เราคอยรู้คอยเห็นเรื่อยๆนะเห็นกายเรื่อยๆเห็นใจเรื่อยๆนะเห็นเนืองๆไปนะถ้าเห็นเนืองๆเราจะเห็นว่าเออมันไม่คงที่หรอก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 ระจิตรกระทบอารมณ์ที่ไม่ชอบใจถ้าจิตรกระทบอารมณ์ที่ชอบใจความโกรธไม่โผล่หรอกแต่ความโลภมันจะโปล่แต่หัดรู้หัดดูเรื่อยๆ ด, ดูบ่อยๆแล้วเราจะเห็นความโกรธเลื้อยขึ้นมาเห็นเลยมันเคลื่อนขึ้นมาแล้วสลายตัวไปสลายไปไหนสลายไปใ น, ปในความว่างเปล่าไม่มีอะไรเหมือนเราจุดทูบสักดอกเ น, นะควันลอยขึ้นมาแล้วนะควันก็หายไปความโกรธก็ผุดขึ้นมาอย่างนี้นะ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 เราลาเลยที่จะรู้ทําภายในคือจิตใจของเราเองนะค่อยมารู้ทําภายในนะคือรูปนามของเรานี้อย่าหลงอยู่กับทําภายนอกคือรูปเสียงกยลิ่นรสพุทธะธรรมรมนะพระสารีบุตรท่านก็สอนนะให้รู้ทําภายในเปนะ็นการทํำวิปัสสนาให้รู้ทําภายในไว้ในตามตำลานะตําราพิธามบรู้อายตนะภายนอกก็ได้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 ถ้ามาถึงสังขารุเบกขาญาณแล้บางคนเนี่ยก็ระโดดไปไปเป็นพระโพธิสัตว์ได้นะไปพบพระพุทธเจ้าไปทูลถามนะไปทําบุญกับท่านอย่างเงี้นะตั้งความปรารถนาขอเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งถ้าจิตมีคุณภาพถึงสังขารุเบกขาเนี่ยท่านอาจจะพยากรณ์ให้ว่าอาจจะได้คนนี้ได้คนนี้ไม่ได้ถ้าไม่ได้ส่วนมากท่านก็ไม่พูดเลยเฉย